คำนิยมดินป่าจีวันหนังสือหิมะกลางฤดูร้อนเต็มไปด้วยหลักคิดด้านลึกที่พาเราก้าวยานดิ่งเข้าสู่ด้านในอ่านหนังสือแล้วเหมือนได้อ่านใจตัวเองไปด้วยพร้อมกันทำให้เรารู้สึกได้ถึงธรรมะและหน้าที่ที่แท้จริงของชีวิตคือการค้นพบตัวเองอย่างลึกซึ้งถึงแก่นอ่านแล้วยากที่จะวางลงไม่ใช่แค่หนังสือดีแต่เป็นหนังสือที่ ถูกต้องดินป่าจีวันจิตกรนักดนตรี